ติดในความว่างสองปีเต็มการปฏิบัติเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายเดือนในที่สุดจิตของขพเจ้าก็เป็นสมาธิขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ ภายในจิตใจไม่มีสังขารความคิดหรืออารมณ์ดีชั่วใดๆมาก่อกวนเลยถ้ามีบ้างก็เพียงสักแต่ว่าเท่านั้นแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่ไม่เคยมีสติมาก่อนจิตใจจึงไม่เคยพบกับความสงบเลยแม้แต่น้อยไม่เคยรู้ว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากกว่าจิตเป็นสมาธิได้ขนาดนี้เชียวหรือ บางครั้งจะคิดเรื่องการงานบ้างแต่จิตกลับนิ่งเฉยเสียไม่ออกทำงานเลยติดว่างอยู่อย่างนั้นถึงกับต้องบังคับให้จิตออกมาคิดเรื่องอื่นๆบ้างไม่เช่นนั้นจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลานี่คือการติดสมาธิซึ่งขณะนั้นข้าพเจ้าเข้าใจว่าถูกต้องที่สุดแล้วจึงนอนใจทำให้ติดอยู่ในความว่างถึงสองปีเต็ม นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในขณะนั้นอย่างไรก็ดีการปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธินั้นเป็นทางเดินเบื้องต้นที่ถูกต้องท่านให้ชื่อว่าสมาถิกมฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติการปฏิบัติต้องมีความเพียรเป็นหลักทุ่มเทด้วยชีวิตจิตใจไม่ท้อถอย จิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้าสึกต่อการปฏิบัติโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันการทำการงานก็เป็นไปโดยปกติไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตดอย่างใดพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เราเกลียดครนันฉะนั้นเราจึงต้องมีความเพียรทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อปฏิบัติดังนี้แล้ววันหนึ่งจิตจะเป็นสมาธิขึ้นมาอย่างอัศจรรย์โดยที่คิดไม่ถึงเลย จิตจะเกิดความชุ่มชื้นสงบเย็นพร้อมด้วยความภาคภูมิใจและความปีติสุขอย่างบอกไม่ถูกนี่คือผลแห่งการปฏิบัติเมื่อต้นปี2531